เรื่องเมตตาไม่มีประมาณโดยพงศกรพิพัฒน์โกษาครอบครัวของเรามีโอกาสรับใช้ครูบาอาจารย์มาตั้งแต่สมัยคุณทวดคือคุณทวดแจ่มอึ้งตระกูล ที่มีโอกาสรับใช้ท่านพระอาจารย์มั่นและได้พาลูกสาวคือคุณย่าหรือแม่ชีสีอึ้งตระกูลหรือคุณแม่ชีกุยชิมเข้าไปรับใช้ตลอดทำให้มีจิตใจที่น้อมหาธรรมะอยู่เสมอมาจนถึงรุ่นคุณพ่อคือนายชวลิตพิพัฒน์โกษาสมัยก่อนครอบครัวของเราอยู่จังหวัดอุดรธานีคุณย่าเป็นเจ้าของตลาดคุณพ่อเปิดร้านขายยาชื่อชวลิตย้อนกลับไปเมื่อพศ 2,500 กว่า ร้านขายยาในจังหวัดอุดรมีเพียง 2-3 ร้านร้านของเราได้จัดยาถวายครูบาอาจารย์ตามวัดต่างๆแถวอุดรธานีห น, นองคายสกลนครโดยไม่มีการเก็บเงินและถ้าครูบาอาจารย์องค์ใดต้องดูแลเป็นพิเศษถึงขนาดต้องเข้าโรงพยาบาลส่วนมากทางคุณย่าและคุณพ่อก็อุปถัมภ์ตลอดมาสมัยก่อนการเดินทางไปวัดต่างๆทางภาคอีสานลำบากมากไม่สะดวกสบายเหมือนปัจจุบัน คุณย่าและคุณพ่อได้ออกรถแลนด์โรเวอร์มาเพื่อใช้ส่งยาเข้าไปถวายพระตลอดจนบริการนำลูกศิษย์จากกรุงเทพที่ศรัทธาเข้าไปกราบพระทำให้ได้คุณเคยกับท่านอาจารย์หมออวยเกตสิงห์เป็นอย่างดีซึ่งปกติคุณหมออวยท่านเป็นผู้ตรวจสุขภาพครูบาอาจารย์และให้มารับยาที่ร้านเป็นประจำนองจากเราเป็นคนอุดรวัดที่เราไปบ่อยๆก็มีวัดถ้ากลองเพลนวัดป่านองแซง รวมไปถึงวัดป่าบ้านตาดตอนผมยังเด็กๆไม่ค่อยอยากเข้าไปที่วัดป่าบ้านตากกับครอบครัวเท่าไหร่นักเพราะรู้สึกว่าหลวงตาองค์เนี้ท่านดุจังไม่ค่อยยิ้มไม่เหมือนหลวงปู่ที่วัดถ้ำกลองเพนที่เข้าไปกราบที่ไรท่านก็ยิ้มตลอดแต่พอตอนโตถึงรู้ว่าหลวงตาท่านมีบุญคุณกับครอบครัวเรามากและท่านให้ความเมตตามาโดยตลอดแม้ภายนอกท่านดูดุ ก, ก็จริงแต่ภายในใจ ท่านมีเมตตาอย่างหาประมาณไม่ได้ตอนเด็กๆผมซนมากเพราะถูกตามใจจากครอบครัววันหนึ่งได้ไปนอนที่วัดป่าบ้านตาดตอนกลางคืนร้องไห้อลาวาสจะให้หลวงพี่สมหมายไปจับกระรอกกระแตมาให้เลี้ยงตอนเช้าไปกราบหลวงตาท่านเอ็ดต่อหน้าคุณพ่อว่าซนเหลือเกินร้องไห้งอแงตอนนั้นผมไม่ทราบหรอกว่าหลวงตาท่านรู้ได้อย่างไร รอกุฏิที่ผมพักกับกุฏิท่านก็ห่างกันตั้งเยอะสมัยก่อนเมื่อหลวงตาท่านเดินทางไปกรุงเทพหรือไปไหนมาไหนท่านจะให้คุณพ่อไปรับคุณพ่อใช่รถบ m คอเมคนแถวนั้นเรียกกันว่ารถจรวดคุณพ่อขับรถเร็วมากกรุงเทพอุดรขับแค่ห้าชั่วโมงเท่านั้นคนติดตามหลวงตาเช่นทิหมึกทิดอุ๋ยรูดีแต่หลวงตาท่านไว้ใจ มีอยู่คราวหนึ่งหลวงตาไปกรุงเทพและกลับอุดรโดยรถไฟท่านบอกคุณพ่อว่าครั้งนี้ต้องกลับทางรถไฟเพราะมีธุระต้องทำซึ่งคุณพ่อก็แปลกใจแต่ไม่ได้ถามปรากฏว่ารถไฟเที่ยวนั้นเกิดอุบัติเหตรุรถไฟชนกันตกรางทำให้คนบาดเจ็บมากมายแต่ไม่มีผู้เสียชีวิตคุณพ่อจึงเข้าใจว่าธุระที่หลวงตาต้องทา ก็คือไปช่วยคุ้มครองไม่ให้มีคนล้มตายในอุบัติเหตุครั้งนั้นนั่นเองตอนบวชครั้งแรกผมบวชที่วัดถ้ำกลองเพนแต่มาพักที่วัดป่าบ้านตาดบวชแล้วมาอยู่ที่วัดจึงเพิ่งรู้ว่าท่านเมตตาต่อพระในวัดมากๆพยายามปกป้องพระไม่ให้ถูกกิเลสเข้ามารบกวนด้วยวิธีการต่างๆอย่างเข้มงวดจริงจัง ส่วนตัวผมนั้นหลวงตาท่านเมตตามากออกบินทบาทแรกๆเดินตามพระรูปอื่นไม่ทันกลับวัดเป็นองค์สุดท้ายทุกทีขากลับก็จะพบหลวงตาท่านยืนรออยู่หน้าวัดท่านถามและสอนอย่างเมตตาว่าไหวไหมต้องทำให้ได้นะพระพุทธเจ้าท่านเป็นถึงลูกกษัตริย์ท่านยังทรงทำได้เลยคำพูดเนี้ยของหลวงตาอยู่ในความทรงจำของผมมาตลอด ช่วงหลังธุรกิจที่จังหวัดอุดรธานีไม่ดีประกอบกับคุณพ่อป่วยเป็นโรคมะเร็งที่ปอดทําให้ต้องย้ายครอบครัวมาอยู่ที่กรุงเทพก่อนคุณพ่อจะเสียท่านทรมานมากมีคนที่นั่งทางไหนได้คือคุณกุศลรัตน์ตรีรัตน์บอกว่าช่วงที่คุณพ่อจะสิ้นใจนั้นมีพระรูปหนึ่งไม่ทราบว่าเป็นใครมาดึงแขนคุณพ่อและบอกว่าไปชวลิศจะพาไปส่ง หลังจากเอารูปของพระต่างๆให้ดูจึงทราบว่าเป็นพระหลวงตามหาบัวนั่นเองนี่เป็นเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งในความทรงจำที่มีต่อหลวงตาข้อความใดที่อาจเป็นการไม่สมควรผมกราบขอขามาหลวงตาด้วยครับบทความโดยพงศกรพิพัฒน์โกษาเสียงอ่านโดยโจโฉ Oh, oh, oh.